เข้าวัดนี้เขาพาเดินก็เดินตามเขาไปนะเดินท่าทางเหมือนเขาเดินเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดินแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้ทางนี้ขยับมือสายหลวงพ่ะเทียนขยับมือก็ขยับตามตามไปหลวงพ่อเทียนยังบอกนะขยับให้ตื่นอะไรหลายแห่งในที่เราเรียนธรรมะแล้วรู้สึกมันยากยากนะมันธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งเรื่งจับต้องไม่ได้เลยเลือนรางเป็นภาพที่เลือนรางอยู่ไกลๆ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 เราไม่ใช่วัวใช้ควายนั่นเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนี่ต้องชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าทํำๆไปเหอะแล้วก็ดีเองแหละมันจะดีได้ไงจะทําเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยรู้แต่อย่างเดียวว่าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผล น, นิพพานอยากมีดวงตาเห็นธรรมนิพพานเป็นไงก็ไม่รู้จกักดวงตาเห็นธรรมเป็นยไงก็ไม่รู้จกักไม่รู้อะไรสักอย่างก็ทําตามๆกันไป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 สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งได้เพราะมันสิ้นกิเลสใชนะ่ไมมันมีเหตุมีผลนะไม่ใช่อนาถานิพานเป็นโลกโลกหนึ่งใครๆบ้านจัดสรรพระพุทธเจ้าอยู่หัวถนนสาวกก็อยู่ตามถนนสายเป็นสายๆทนะ่านบางคนสอนอย่างนั้นนะพี่ลึกพี่ล่นเพราะอะไรเพราะติดในความเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามีตัวตนถาวรความจริงนิพานเป็นความสิ้นทุกข์นะสิ้นความปรุงแต่งสิ้นกิเลส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 อย่างตัวเราก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าตัวเรามารวมกันก็มาเป็นตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามารวมกันขึ้นมาก็รหมายรู้ว่าเป็นตัวเรานะบางคนท่านก็สอนให้แยกออกเป็นาธาตุแยกกายแยกใจนี่แหละแยกตัวเรานี่ออกเป็นาธนะาตุธาตุมีสิบปดธาตุเยอะธาตุสิบปดธาตุไม่ใช่าธาตุทางเคมีนะ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 เพาในขันห้ามีรูปธรรมอยู่หนึ่งขันเท่านั้นเองนะมีนมามธรรมจะตั้งสขันเนะนี่ยคนไหนถนัดดูจิต ด, ดูใจนะจะมาชํานาญในเรื่องขันนะมีรูปเนื้อรูปดูอันเดียวอย่างรูปเห็นรูปมันไม่ใช่เรานะแต่ขันเนี่ยแยกออกไปส่วนนี้เป็นความรู้สึกนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนนี้เป็นความจําได้หมายรู้ส่วนนี้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งส่วนนี้เป็นความรับรู้เนี่ยนะเป็นตัวรู้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 ทาตุนเยอะไปเยอะไ่เกินจำเป็นแต่บางคนชอบคิดมากก็ต้องเรียนให้เยอะไว้ก่อนเผ mm. ื่อสมัยพระศรีอานมาแล้วจะได้กลัดสรู้ทันตามท่านได้เรีย <weaknesses> นไปก่อนให้เยอะๆเนี่ยแต่ละคนนะจะต้องเรียนไม่เหมือนกั น, น mm. เพราะอะไรเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกัน น, mm. นี่วิธีที่จะปฏิบัติเนี่ยมาจากการวิเคราะห<ม>์ตัวเองเอีกจริตนิสัยของเราเป็นยังไงต้องมาดูตัวเองนะ คําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จําแนกนะคนนี้สอนงี้คนนี้สอนแบบนี้นี่พอถึงการปฏิบัติเราก็ต้องมาดูตัวเราเองนะการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตของสติปัฏฐานคือการมีสติรู้กายรู้ใจนั่นเองรู้รูป ร, รู้นามนั่นเองแต่จแจกแจงออกไปให้เยอะขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะอย่างเรื่องธาตุมันก็ไปอยู่ในในอะไรธรรมานุ ป, ปะนะัสสนาเนี่ยนลึกซึ้งมีเยอะแยะนะมีทั้งรูปทั้งนาม คนไหนถนัดเรื่องรูปเพื่อมารู้กายนี่คนไหนถนัดรู้นา ม, มารรนะก็มารู้เวทนานะรู้จิตจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาถ้าฝึกไปชำนี้ชำนามจะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาอัตโนมัติสุดท้ายจะไปแจ้งที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะไม่ว่าใครหรอกภาวนานะขั้นสุดท้ายขั้นแตกหักจริงๆนะจะแจ้งอริยสัจอริยสัจนะี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาบทสุดท้ายเลย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 โชกล้ามสวยเทน่นี่พวกนี้พวกตันหาจริตนะทำตัวต้องหอมหอมไว้ทั้งวันนี่ต้องสวยไว้ก่อนหลอไว้ก่อนนะกินอยู่ต้องประนีตนะต้องของดีๆของไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยประนีตมากเลยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคนชนิดนี้เรียกว่าพวกตันหาจริตพวกโลภมากนะพวกตันหาจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกตันหาจริตนะ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 จริตหนึ่งมีสองอย่างจริตหนึ่งมีสองอย่างตันหาจริตก็มีกรรมฐานสองอันทิฏฐิจริตก็มีกรรมฐานสองอันมันเป็นกรรมฐานที่ง่ายกับยากบางคนเรียนง่ายๆไม่พอใจต้องเรียนยากๆ thumbnail. บางคนเรียนง่ายๆรู้สึกตื้นไปไม่พอใจไม่สะใจไม่สมกับภูมิงั้นกรรมฐานเลยมีสําหรับตันหาจริตนี่สองอย่างกายานุปัสสนานี่เป็นกรรมฐานที่ทําง่ายงั้นพวกไหนเป็นตันหาจริตนะขอแนะนําให้รู้กาย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 คํนะายากกว่าอย่างพระนนทนะพระนนทท่านทํากายานุปัสสนาจนเป็นพระอราหันตะ์คืนสุดท้ายยังเจริญกายานุปัสสนาอยู่เลยพระสารีบุตรเนี่ยจีเนียสมากฉลาดมากนะท่านเจริญเวทนานุปัสสนานะไม่เหมือนกันพระอนุรุตพระอนุรุตท่านดูจิตเป็นจิตตานุปัสสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนานะไม่เท่ากันความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน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 กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะ ก, กับสมถียานิกเหมาะ ก, กับคนทําสมาธิส่วนจิตตานุปัสสนานะเหมาะ ก, กับพวกทําสมาธิไม่ได้เรียวกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกพวกใช้ปัญญานําพวกกายานุปัสสนาเหมาะ ก, กับพวกที่ใช้สมาธินําปัญญาพวกจิตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะ ก, กับพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธิคนรุ่นเราเนี่ยทำสมญญาธิยากแล้วเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักคิดใครรู้สึกตัวว่าช่างคิดบ้าง ยกมือให้ชมชฉบหน่ช่างคิดคิดทั้งวันอ่ะนะมีใครรู้สึกว่าวันวันไม่คิดมากเลยเสริมสวยอย่างเดียวมีไหงก็มีเหมือนกันนะแต่มันน้อยแล้วคนยกเนี่ยมันจะมาสวยอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วจะกลียดกลายนะห่มสบายนะให้สวยงามเดินกระชดกรนะช้อยกระมิดกระเมี้ยนกระบิดกระบวนอะไรเงี้ยทำยากละนะ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 เพิ่งเปิดเทอมด้วยโอ้ต้องหนักสาหัสเลยนะรุ่มใจหนักกว่าเก่าอีกเนี่วันนี้วันจันทร์นะแต่แปลว่าเป็นวันสงกรานุสบายนะเนไหมใจเราคิดนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนแปลงแะเราก็มีสติตามดูไปเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกขอเราไปจะกินข้าวคอยรู้ความรู้สึกไปตามองเห็นอาหารชนิดนี้สมมุติว่าชอบกินไข่เจียวมากเลยมีเด็กบางคนนะ่ะมาวัดหลวงพ่อเนี่ยบอกว่า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 มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเพลงแว่แววมาเพลงไทยโบราณโบราณฟังแล้วเด็กสมัยใหม่ได้ยินแล้วลำคาญหลอนน่าลำคาญเอนะในขณะเดียวกันเวลามาอยู่ตามวัดอยู่ในปา่าอยู่ๆได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่แ้วไม่ใช่ลำคาญนะกลัวเนะี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนเนะ ได้ยินเสียงระครังรู้สึกยังไงน้ำลายไหลไหม <laughs> ได้ยินเสียงระครังแล้วน้ำลายไหลนะ่เหมือนในตำราจิตวิญญานะเห็นไหมความรู้สึกเปลี่ยนนะอยากกินข้าวแล้วนะนะตากระทบรูปผูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดใจนึกใจปรุงใจแต่งความรู้สึกเปลี่ยนทั้งนั้นเลยหน้าที่ของเราไม่ใช่บังคับให้จิตนิ่งๆไม่ให้เปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปบังคับมันเราต้องการให้เห็นว่าจิตมันทํางานได้เอง ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะจิตก็เปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยมันเปลี่ยนของมันเองอย่างถ้าหลวงพ่อชมใครสักคนคุณรู้สึกไหมวันนี้ภาวนาดีดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมรู้สึกไห ม, มเป็นโปร่งสบายเนี่ยใก้บรรลุแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าบอกงี้นะถ้าถ้าถ้าเชื่อนะว่าหลวงพ่อชมจริงๆริงนะใจจะพองนึกออกไหมแต่พอหลวงพ่อพลิกบอกหลวงพ่อแกล้งชมไปงั้นแหละไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยใจจะเหี่ยวเห็นไหม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 เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วทำไมยึดถือกายยึดถือใจไว้ได้ไม่ใช่เราก็ไม่ควรจะยึดถือสิพระโสดาบันพระสกทาคามีอะไรพวกนี้นะพระอนาคามีเนะี่ยเป็นพวกที่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้ว่าขันห้าเนี่ยยืมเข้ามาใช้แต่ยังงกไม่ยอมคืนเจ้าของเหรอเราเคยมีไหมเคยไปยืมอะไรของใครเข้ามาใช้ยืมเสื้อเข้ามาตัวนี้สวยจังเลยยืมเข้ามาใช้นะไม่อยากคืนเจ้าของ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 ท่านผู้ที่เกิดอายะมากแล้วนะแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้ทุกละสมุทไถยแจ้งนิโรธได้แล้วนะเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยแต่โต๊ะนี้มันหนักไปหน่อยเหมือนกระดาษสักกระดานไม้กระดานอย่างเนี้ยชูสิยกกระดานชูชูให้คนดูเห็นไหมกระดานนี้มีสี่มุมนะเราหยิบขึ้นมาหนึ่งมุมนะมันขึ้นมาอีกสามุมเลยเวลาแจ้งอริยสัจเนี่ยนะไม่มีแจ้งมุมเดียวหรอกแจ้งทีเดียวแจ้งสีอันเลยนะอ้าวเชิญไปทานข้าว